เออบางคนสงสัยเอเนี่ยเขาฟุ้งซ่านมากแล้วเกินเนี่ยเขาทํำยังไงจึงจะไม่ฟุ้งซ่านแต่ขอคําแนะนําอย่างงี้ทำไงดีมันฟุ้งซ่านบ่อยๆนะบางทีมันพออยู่ปับป๊บๆมันก็ไปเรื่องอื่นละเดี๋ยวก็ไปเรื่องโน้นทีเดี๋ยวก็ไปเรื่องนี้ทีมันฟุ้งอย่างเนี้จนจ น, จนฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วทาไงดีเนาะ เขบอกว่ามีวิธีเดียวเนี่ยนะที่ที่จะทําได้ก็คือทําให้กุศลจิตเกิดบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้แล้วอย่าไปเน้นกุศลประเทศละเอียดละเอียดนะนะให้เน้นกุศลที่มันทําได้เลยเนี่ยน ะ, ะสร้างสร้างกุศลธรรมให้มันเกิดได้บ่อยๆเช่นสวดมนต์เช่นฟังธรรมเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปเนี่ยนะฟังธรรมเรื่องที่ไม่ยากที่เราฟังแล้วรู้เรื่องฟังแล้วรู้เรื่องทันทีก็เก็บข้อมูลอ่ะ เรียกว่าสร้างสติกุศลให้มันเกิดขึ้นในใจได้บ่อยๆถ้ากุศลธรรมเกิดในใจได้บ่อยๆอาจจะไปกับเรื่องทานบ้างตารบศีลบ้างตารบฟังธรรมบ้างตารบสวดมนต์บ้างอ่านพระไตรปิฎกบ้างคือโน่นบ้างนี่บ้างก็ไม่เป็นไรหลายอย่างก็เหมือนกับว่าแบบทานอะไรอย่างเดียวไม่ได้อะต้องทานหลายอย่างเอาความอิ่มเข้าไว้ก่อนนะนะชั้นใดกุศลก็เจริญทุกอย่างไม่เลือกกุศลนั่นทำทำอะไรได้ทําไปก่อนเลย เพื่อให้กุศ ล, ลจิตเกิดได้บ่อยและหนาแน่นขึ้นเพราะครั้งแรกๆเนี่ยที่เราทําอะไรไม่ได้ก็กุศ ล, ลจิตมันอ่อนเกินไปที่จะทําอะไรได้มันก็ทํายังไงบอกว่าทํายังไงตอนแรกว่าให้กุศ ล, ลจิตเกิดได้บ่อยที่สุดอ่ะภายในชั่วโมงเนี้เราจะทํากุศลอะไรได้บ้างเช่นอย่างสมมติว่าเราเดินทางเนี่ยจากที่นี้ไปถึงจุดตรงโน้นเนี่ยจะให้จิตเป็นกุศลอะไรได้บ้างจากณที่ตรงนั้นไปถึงตรงนั้นเนี่ย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 แล้วในรอบสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องเจริญกุศลจิตอะไรบ้างก็ต้องตั้งอัตตะสัมมาปณิที่เอาไว้เลยเนี่ยนะพระองค์แต่ว่าอัตตะสัมมาปณิที่จะเอตมังคามุตตะมังต้องตั้งเอาไวนะ้เนีกุศลแมันจึงเกิดกุศลเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดลอยลอยมันอยากเกิดมันก็เกิดไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่มันอยากเกิดมันก็เกิดเพราะถ้าไม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างอุปนิสยัยสร้างอัธยาศัยไข่ครวนสมาทานอธิษฐานยากยากที่มันจะเกิดนะ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 ฟังแล้วเรากุศลเจริญเป็นต้นคือในตอนชั้นแรกยังไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรที่มันละเอียดละเอียดหรอกเน้นว่าทํายังไงให้กุศลจิตมันเกิดหนาแน่นเอาไว้ก่อนทีนี้เมื่อกุศลจิตเกิดได้บ่อยมากขึ้นเกิดเจริญขึ้นในรอบวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเป็นจากหนึ่งเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละสามนาทีห้านาที10นาทีก็รวมรวมกันวันหนึ่งเออได้ตั้งหลายนาทีแล้วนะเนี่ยถ้ารวมรวมอย่างงี้เออได้วันหนึ่งสองชั่วโมงลอะ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 ผ่านการไข่ครวญวิจัยเพื่อให้เรียกว่าชี้ร่องขูดผลทางแนวทางให้กุศ ล, ลจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมากานะเพราะว่าคําว่าภาวนาในที่นี้ก็คือสร้างจิตให้เป็นกุศลแล้เพิ่มคุณภาพของกุศลที่อยู่ในจิตเช่นเพิ่มคุณภาพสัพพาเพิ่มคุณภาพวิริยะเพิ่มคุณภาพสติเพิ่มคุณภาพสมาธิเพิ่มคุณภาพฮิริเพิ่มคุณภาพโอตตะปะ ก็เพิ่มคุณภาพปัญญาเป็นต้นเพิ่มเพิ่มเพ่มเพิ่ ม, ม, มไปเรื่อยๆจนกว่าเพิ่มองค์มรรคแต่และองค์นี้ให้มันครบแปดและให้มันพัฒนาให้ยิ่งเป็นจากปริตตะเป็นมหาคตะเป็นอัปปมามะนะแล้วก็น้อมไปเพื่อออกจากสังคตะธรรมมันจึงจะเป็นไปได้นั่นก็ต้องหมันม่นหมั่นทบทวนบ่อยๆว่ากุศลจิตของเราเนี่ยทิศทางการเจริญกุศลของเราเนี่ยมั่นคงขนาดไหนระยะยาวเป็นอย่างไรให้ความสําคัญเหมือนกับการคิดง่ายๆอ่ะ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 รับกลิ่นชนิดไหนเวลานั้นเราต้องรับรถอะไรเราต้องทานอะไรอันไหนเป็นอาหารว่างวุ้วางแผนประสาทสัมผัสอุณหภูมิต้องแค่ไหนอย่างไรเสื้อผ้าที่เราใช้สอยเป็นอย่างไรวางแผนเพื่อประสาทสัมผัสนี่ชํานาญมากแต่ว่าวางแผนกับมโนะกุศลจิตก็ต้องกําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็สมาทานอธิษฐานบ่อยๆแล้วใจของเรานี่จะเจริญกุศลกี่กลุ่มกี่ประเภทก็หยิบมาสมาทานมาอธิษฐานมาปรารบเลย เรีว่าเอาเป็นจริงเป็นจังทียกว่าบริหารกิจการภายในใจว่า ง, งั้นนะนะบอกดูว่าบริษัทนี้ทํำท่าจะเจงหรือจะเจริญนะก็ต้องดูว่ามีวัตถุดิบพอไหมมีอะไรพอไหมมีองค์ประกอบพอไหมเขาบอกว่าเรื่องภายนอกตัวเนี่ยนะอย่างในร่างกายของเรานะมีรูปธ ร, รรมอยู่ไม่เท่าไหร่รูปธรรมเนี่ยนะคัดคัดคด ค, ด ค, ด ค, ด ค, ดคัดสภาวะที่แตกต่างกันเป็นนิพพานารูปสิบแปดเป็น อ, อนานิพพานารูปรูปที่มีสภาวะสิบแปดไม่มีสภาวะอีกอีกสิบ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 อ่าบาปมันเกิดมันก็ไปเชียบบาปพอบุญเกิดมันก็เชียบบุญพวกเชียบบุญเชียบบาปเรื่ออัญญาสมนานะ่ยนะมันก็เกิดอยู่ในใจแล้วเราจะอบรมยังไงจะวางแผนยังไงจะอะไรยังไงต้องคุยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคุยให้มันดีๆหน่อยไม่งั้นนในใจไม่ยอมพยาจิตตราดงงไปหมดเราจะให้ท่านคิดอะไรดีอางนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีๆหน่อยนะไอการวางแผนนั่นแหละเขาเรียกว่าสัทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงเนะี่ยภาษาธรรมะใช้คำว่าทิฏฐุชุกรรม ปรับทัศนคติปรับความรู้ปรับความเข้าใจให้มันชัดเจนอะไรเป็นอะไรแล้วก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิที่สมาทานในการเจริญกุศลให้มันดีๆเพราะถ้าเราเจริญกุศลไว้ไม่ดีไม่พอถามจริงแล้วจะเอาใจชนิดไหนไปนําเกิดพบใหม่เอ่ถ้าถ้าเราเจริญไว้คุณภาพกุศลเราไม่มีคุณภาพเลยนะถ้ากุศลจิตเราไม่มีคุณภาพแปลว่าชาติหน้าเราไม่มีคุณภาพทั้งชาติแล้วไม่มีคุณภาพอีกหลายๆชาติ สมมติถ้าเอามาหากุศลนดวงที่แปดนำเกิดเนี่ยนะมหาวิบากดวงที่แปดก่อเหตุตุกามันจะให้ผลนําเกิดทั้งชาติปัญญาอ่อนเกือบทั้งชาติเลยถ้าเป็นมนุษย์นะถ้าก็เป็นคนนั่งแล้วก็ใช้ปัญญาอ่อนไปหมดเลยถ้ามาหากุศลดวงคือในมาหากุศลนแปดวงเนี่ยนะมันจะให้ผลตามเหตุมันก็เหมือนกับว่าถ้าภาพตัวจริงเนี่ยนะแต่งตัวหน้าตารกปรุงรังไปหมดเลยไม่หวีผมเเ่าไม่หวีหน้าตาไม่ล้างไปต้นเนี่ย ยิ้มแบบคนอดตาหลับขับตานอนมาห้าวันแล้วอย่างเงี้ยภาพออกไปเนี่ยแต่งยังไงให้มันสวยได้ไหมภาพนั้นอะแต่งให้มันงามเป็นดาราเลยนั่นเลยไปติดไว้หน้าบ้านได้เลยโชว์อดได้เลยถ้าจะยากเพราะฉันใดใจที่เป็นกุศลฉันใดปฏิสนธิในภพใหมก่ก็กลุ่มเดียวกันประเภทเดียวกันแล้วเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นชีวิตของคนนั้นตลอดชาติตลอดชาตินั้นๆัไป ก็เรียกว่าเป็นภาตพแท้ของคนนั้นตลอดชาติเลยท่านเราก็มาสร้างคุณภาพให้จิตของตัวเองให้ได้ถ้าสร้างคุณภาพจิตให้ตัวเองไม่ได้แล้วจะเอาบุญตัวไหนนําเกิดดีในบรรดาบุญที่ทําเยอะแยะเอาบุญที่ทําแบบเคลิบเลิ้มให้ผลชาติหน้าเป็นไงนะก็ชาติหน้าก็อยู่ด้วยความเคลืบเิ้มตลอดไลยถ้าแบบบุญที่อะไรนะไม่มีปัญญานําเกิดชาติหน้าก็ไม่มีปัญญา ยากเค่ไหนว่าเรียนอะไรก็เรียนช้าอืดกว่าจะเข้าใจอะไรแต่และเรื่องได้ในน้ําตาไรลจะจําอะไรได้สักประโยคนี่มันช้าแท้เนี่ยนะคาว่าเป็นอะไรนะในขโยมก็เล่าอกว่าที่หนึ่งกับที่โหลเนี่ยมันมีอยู่คนเดียวเหมือนกันเท่านั้นทั้ง <c oughs> ที่หนึ่งกับที่โหลไม่ต่างกันเท่านั้นนะแต่กว่าเป็นคนที่เศษที่ได้ที่โหลตลอดเลยนะเป็นมีคนเดียวในห้องอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าอย่างงี้ก็ไม่ไหวแล้วพ่านจะต้องเร่งเร่งสร้างคุณภาพให้แก่ จิตใจถ้าเราสร้างคุณภาพให้แก่จิตใจได้ก็เท่ากับเลือกปฏิสนธิได้ไอ้การกําหนดรอบรู้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพวกนี้นัคือปัจจยปริฆายานทางนั้นแหละอยู่ในกลุ่มระบบปัจจยปริฆายานหรือกําหนดปฏิจจสมุปบาททางนั้นแหละเพราะว่าเพราะปฏิจจสมุปบาทคืออะไรคือการปรับความรู้ปรับความเข้าใจในเรื่องจุติแลย ปฏิสนธิทีนี้เข้าใจเนี่ยเราจะออกจากวัฏฏะได้ยังไงมันจะออกมันต้องออกจากอบายก่อนอยู่แล้วเป็นลําดับแรกทีนี้ออกจากความเป็นผู้ไม่มีปัญญาเพิ่มให้เป็นผู้ที่มีปัญญาคุณภาพของปฏิสนธิจิตพ อ, อ น, นะอย่างวิสุทธิมรักนี่บอกเลยนะว่าใครที่จะเกิดชาติต่อไปเนี่ยนะที่จะบรรลุเนี่ยวิสุทธิมรักษ์บอกเลยบอกตามพระพุทธพจน์ว่าสีเลปฏิทายาสนาโรสปันโยจิตตังปัญ ญ, ญจัจะภาวายังอาตาปีนิปโกภิโคโสอิมังวิชตาเยชะตังเนี่ยนะ บอกว่านระผู้มีปัญญาเนี่ยนะนระผู้มีปัญญานั้นเป็นสหชาติกัปัญญาแปลว่ามีปัญญาตั้งกับปฏิสนธิแล้วเรียกว่าธาตุของคนมีปัญญาเพราะคนที่จะได้ชานณพิญญามรรคผลต้องติเหตุกะปฏิสนธิเท่านั้นนะนะนโรสปัญโยเนี่ยต้องมีปัญญาที่เป็นปฏิสนธิปัญญาเนี่ยนะจิตตังปัญญัจะพาวายังเนี่ยนะจิตตังปัญญัจะปัญญัจประวนั้นก็คือวิปัสนาปัญญาเนี่ยนะต้องมีวิปัสนาปัญญา อาตาปีนี่ปโกนีิประกาตัวนั้นก็เป็นชื่อของปัญญาอีกนิปกาเรียกปาริหาริยากะปัญญาผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้นี่นะอันนี้นี่ไม่พูดศีลสมาธิแล้วเอาเฉพาะปัญญาอย่างเนี้หนึ่งต้องมีสเหตุกะปัญญาเสถิตกะปัญญาคือปัญญามาตั้งแต่เกิดแล้วสหชาติกะปัญญาหนึ่งะสองวิปัสนาปัญญาสามปาริหาริยากะปัญญากลุ่มสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นดีเยี่ยม นั่นแหละจึงจะคู่ควรแกการบรรลุเนี่นะทนะีนี้ถ้าหากว่าคนที่จะบรรลุได้ในภพนี้องค์ประกอบต้องมีอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าชาตินี้ถ้าจะยากแนวโน้มแม่มยากเหลือเกินทำไงทำไงก็ต้องวางแผนเจริญกุศลเรียกว่าเป็นการตั้งอัตตะสัมมาปณิธิในระยะยาววางแผนว่าปฏิสนธิเกิดเนี่ยควรจะเอาตัวไหนนาเกิดเนี่ยนะ ก็ที่จริงเนี่ยเราเราซื้อเสื้อผ้อาเรายังวางแผนไม่เลยใช่ไหมว่าจะเอาไว้ใส่ชุดไหนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรคิดก่อนไหมซื้อเสื้อผ้อาสักชุดหนึ่งอะนะเว้นแต่ของพระเนี่ยมันงานไหนชุดเดียวะถ้าเป็นของโยมเนี่ยว่าเออชุดนี้เอาไว้ใช้งานไห น, น, เ, ไหน ம. เหมาะกับางานไหนงานไหนเรายังคิดแต่งตัวเลยใช่ไหมเอาแล้วแต่งใจอ่ะแต่งปฏิสนธิจิตก่อนนะว่าแต่งปฏิสนธิจิตอย่างไรแล้วแต่งวิปัสนาปัญญา อย่างไรแล้วแต่และอย่างนี้มีปาริหาริยะกะปัญญาเช่นใดถ้าปฏิบัติตามนั้นได้ก็คู่ควรที่จะพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าถามอว่าโอ้ยทำยากทำไม่ได้หรอกอ้าวถ้าก็ถ้าทำไม่ได้ก็ทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาสาธุโดยบุญกุศลคุณงามความดีนี้ขอจงเป็นอุปนิสัยให้ปฏิบัติได้ตามนี้ก็แล้วกันวันนี้ยังไม่ได้ก็โอโ้ระยะต่อไปต้องได้เนี่ยนะ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 เอาถามวาัศาสนาอื่นเขาก็มีสวรรค์ไม่ใช่หรือบอกไม่ได้เถียงว่าไม่มีแต่สวรรค์ท่านบอกว่าสมบัติชั่วคราวทั้งนั้นแหละเนยนะสวรรค์ทั้งหลายก็คือสมบัติชั่วคราวเท่านั้นแหละเราจะไปอยู่ในสวรรค์นั่นก็เหมือนกับไปค้างคืนโรงแรมเนี่ยจะไปอยู่ได้สักกี่คืนเชื่อนี่จะไปอยู่ได้สักกี่วันบอกว่าเลือกชั้นรู้เลยชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นพิเศษชั้นวิจิตพิสดารอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นมีทุนอยู่ได้สักกี่วันเชื่อใช่ไหมอย่างโรงแรมบางโลกบางแห่งเนี่ยก็คืนอะยง แล้วเออแล้วจะไปโหเยี่ยมเลยนะบริการสุดรู้เลยจริงๆอ่ะจะอยู่สักกี่วันจ้ะถ้ามีทุนไปอยู่สักกี่วันชั้นใดสวรรค์มันก็มีหลายชั้นอยู่ก็จริงถ้าถามว่าจะมีมีบุญอยู่ ส, สวรรค์สักกี่ชั่วโมงของสวรรค์เนาะจะอยู่สักกี่เดือนของสวรรค์เพราะสวรรค์มีอายุเป็นพันปีแต่ไม่ได้แปลว่าเทวดาทั้งหมดจะต้องอยู่เท่าอายุสวรรค์หมดไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเนีนะ เพอยู่ตามสมควรแก่บุญถามว่าไอ้ตอนที่อยู่ในสวรรค์นเนี่ยพวกนี้กินบุญเก่าอย่างเดียวโดยมากกินบุญเก่าอย่างเดียวเมื่อกินบุญเก่าทั้งหมดบุญไปไหนต่อะบาปที่ทํำมันจะไปไหนเนี่ยนะกามัสโกมหิเนี่ยนะใครเรียกว่าอะไรนะบาปที่ยังทําไว้ยังไม่ตามให้ผลก็เพราะว่ากาลคติอุปทิประโยคะเนี่ยนะมันห้ามเอาไว้ถ้ากาลวิบัติคติวิบัติเมื่อไหร่ก็ แกเนี่ยาวแล้ววัตตะเนี่ยนะยาวอย่างเดียวมันก็ต้องพยายามคิดหาทางออกให้มันให้มันคู่ควรเพราะว่าไม่งั้นนี่เสียดเสียชื่อพระพุทธเจ้าหมดเลยนะศาสนตั้งมากมายเนี่ยนะจนพระองค์เตือนตลอดเลยนะในใ น, ในพระพุทธทวดเนี่ยเธออย่าเป็นคนสุดท้ายเลยอย่าเป็นคนสุดท้ายเลยนะเขาเรียกว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายในศาสนานี้เลยก็คือคําว่าคนสุดท้ายเนี่แปลว่า เธอเนี่ยคือคนที่เกือบจะได้บรรลุนะเกือบสอบผ่านกับเกือบสอบตกเอาอันไหนคนสุดท้ายก็แปลว่าเกือบได้เกือบเกือบไม่ใช่เกือบสอบได้กลุ่มเกือบสอบได้นะแะไรเรียกว่าคนสุดท้ายไม่ใช่คนสุดท้ายที่ได้นะก็คือคนสุดท้ายที่หมายเขาว่าอะไรนะเขามีคนที่ได้คนสุดท้ายไปแล้วอ่ะแล้วเราเนี่ยเกือบจะทันคนสุดท้ายอ่ะ